อของกล า, างวิชาหลวงพ่อเทียนหวงพอคำเขียนกองกลับของ ก, อง ก, กลงับหลวงพ่อป๋อพระาจารน้องพราจารย์สุดินทร์หรัอาจากตทั้งหลายกองกลาบจากเพื่อนสถาณิกเจริญความพวกเราแม่ชีแล้วก็ผูกปริบาลทา่านบาสบาสิกาทั้งหลายสุทธาุลิเพื่อนใจก็ มันเจองาวเท่ากันเจ็งทีนึงก็อบอุ่นก็ทาเรื่องเดี่ยวกันก็ทําเรื่องการปฏิบัติเหมือนกันถ้าเกิดมาเราทํอย่าที่บทส่วดนะครขบให้การปฏิบัตินั้นขอ้งตาวท่านานจบเป็นไปเื่อการทำพิสุทแห่งความดุขทา้งสิ้นนี้เธอเนี่ยเราก็เหมือนกันนะอยู่ตรงไหนก็เป็นพุทธบริษัทเหมือน ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเรามาปฏิบัติทรรกันที่ที่นี่เนาะก็เป็นตะเคียที่หวงอเองออ ก, ก็ได้ทําไว้ อ, อ่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าพวกเราก็ทำตากันทํำตากันตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเนาะแต่ว่าปีนี้ก็เป็นพิเศษเอาเ ในวันคู่นี้มันสุดทา้ายก็จะมีการเร้ยกว่าบรรจุอธิบุตรพ่อที่ตรงตามหังาตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่พ่อเองก็กำหนดเอาไั้ว่าอยากให้เป็นที่ฝางเข้าไม่ถูกเ ท, ท้าก็กำหนดเลยเอาไปต้นโขดตนจ่าสงสัสยหรือป่าก็ไม่รู้มาตะแหวพ่ที่ไดาหตัวนะไม่ได้ถามพลวงพอเหมือนกันนะ แล้วพอเวลาที่ไปทำงานอยู่จมนั้นเนี่ยก็เี่ยนอันนึงก็คือตรงต้นจาร์นะมันก็ตรงกับที่เรียกได้ว่าที่พวกเราไปเอาน้ําเนาะมาใช้มาดื่มกันทุกวันทุกคั้ตรงนั้นก็เหมือนกับในการว่าไม่รู้ว่าหลวงพ่อเองก็อาจจะตั้งใจเนาะอยากจะดูแลพวกเราอยากจะอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ มาเอาน้ำกันมาได้น้ำกันตารน้ำใสก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อเองก็ตั้งใจจะให้พวกเราได้ใช้กันซึ่งตรงนี้ก็สามน้ำใสก็ใหญ่นะน่องเงาตัวนึงเกิดตาก็เป็นวัตถุสิ่งของที่เรางพ่อเองก็เบลเบลอยากจะให้พวกเราได้ได้ใช้ประโยชน์กันแต่ทําเราเดียวกันตรงนี้เนี่ย ที่ตรงนั้นพวกเราก็มองเห็น่าเราพอเองตัง้งใจจะให้เป็นที่ฝังนั้นเนี่ยฝั่งเท่าเหมือนกับที่พระเจ้าตรงได้ผ่าสวนเมื่อกี้นะก็เป็นท่าก็คือหนูปลาเขาไม่เจ็บอะไรกบบอะไรที่หลวงพ่อเคยพูดที่ราฟังนะตัวนี้นก็เป็นอย่างนี้นะท่านขันมันก็เป็นสิ่งที่เกวาคือกลาบไปสู่ดินสูน่ธรรมชา เราแล้เป็นสิ่งที่หลวไว้เองก็มีความประสงคแบบกันตานตามที่ตลก็อพอบอกมาให้เราแอนนันก็คิดก็คิดเกกับตาโซนตละตาคิดเกี่ยกันองกัวว่าเราดามาเป็นที่ฝังเท่าหลวงพ่อเนี่ยทำยังไงถึจะทำให้มันเป็นที่ที่หนึ่งก็คือคนไม่ขึ้นแปลเหยียบไปย่ำให้เรยว่า ให้ลืมเนะงื่ไขนะอย่เนี้ยทํำยังไงที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราได้ยึดถึงรลวงพ่อกันแล้วก็การที่ถึงหลวงพ่อเนี่ยก็ไม่ได้มีถึงเรื่องอื่นแล้วก็ว่าทั้งชีวิตของหลวงพ่อก็ให้แรงโอการปฏิบัติการที่ได้ถึงหลวงพ่อก็ได้ถึงการปฏิบัติตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เกาเรียกว่าก็เป็นเกาเรียกว่าเป็นบุญคุ้มนะจะเรียกว่าขอใครอาจจะใช้คาไม่ไม่ถูกต้องนะ เป็นคุค้มหัวของพวกเราคุ้มชีวิตของพวกเรานี่ก็เป็นสิ่งที่กระจ้าโน้นเองก็คงจะคิดแบบนี้เหมือนกันคนะพระเจะรโน้นก็เลช่วยกำหนดมาประตูท่านสี่ด้านนะของสาวกโสดเข้า้นพวกเราไม่ได้เห็นกันนะอยู่ในนี้เนี่ยก็บาที่เข้ามาก็เป็นบางที่ตัตนตะ่ำยังไม่มีขนาดเท่าไหร่แต่วันนี้เนี่ยพวกเราออกไป ต่วยกันร่านดอกไม้ซึ่งก็จะมีคณะพูทธิสิทธ์เนาะมาช่วยกันร้อนดอกไม้เป็นบูชาคุณหลวงพ่อจุ๋เขียนเนี่ยเพื่อเราจะได้เห็นแบบว่าตรงฐานกระสอบเนี่ยจะมีประตูสิประตูประตูสิบประตูก็จะมีประตูแรกก็จะเป็นประตูตรงหน้าบันไดประตูตรงหน้าบันไดจะเป็นประตูที่อาจารย์วันก็กระโดดมาหน้าจะเป็น ลูกของหลวงพ่อและก็มีลเซ็นอเข้นนะก็ตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่พวกเราก็เหมือนกับคุ้นเคยกันนะหลวพ่ออาจจะมียอดจำแนกหอื่นๆนก็เป็นเป็นเรื่องอื่นๆไปะแต่ว่าสิ่งพวกเราคุ้นเคยกันก็คือพระูติ้งรเน่ระคูเป็นตลวอกเขียนตนี้ก็มีลายเส็นลกำกับเอาไว้ข้างน้นก็จะมีน้ำหันที่เกิด ขระหลวงพและก็ซึ่งก็เป็นเป็นสิ่งหายพรมพอดีกับว่า ท, ที่หลวงพ่อรับจาร์าก็เป็นเดื่องสิ่งหายพรมเหมือนกันตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่เราก็่กอกำหนดเอาไว้ประตูที่สองก็จะเขียนว่าทางน้านที่เราไปเอา น, น้ํำไปมองมาก็จะเห็นเรียกว่าแบ่เกิดอะไรกับอนะไรเนาะประตูที่สามมัเป็นประตูที่ตะวนันตกที่เขียนว่า เห็นทุกต้องทนทุกเห็นทุกต้องทนทุกนะเอนี้สัสมสนกว่าไปดูนะเดี๋ยวก็ไปดูอีกทีนึงเพ <c oughs> ื่อันแต่ว่าก็มีสี่ประตูที่ตัดแล้วก็ประตูสุดท้ายประตูด้านทิดเหนืนนอซึ่งมองมาจากด้างล่างสาระน้ำใ ส, สก็จะเป็นประตูที่แบบเขียนว่า ตรงนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าธรรมะที่หรวงข้อได้ให้เอาไว้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับช่วนให้เราเนี่ยได้นึกถึงการปฏิบัติตรงนี้ก็ให้พวกเราเนี่ยได้เหมือนกับได้ได้เหมือนกับได้อาศัยเนาะเสาโศกตรงนี้เนี่ยเป็นที่เหมือนกับได้เป็นที่มองเห็นเป็นที่หมายตามว่าเอาน้ำที่ในจะนึกถึงการปฏิบัตินะ หรือว่าไม่ใช่เอาน้ำที่มาเป็นกิกรรมหรือเวันนี้พวกเราออกไปช่วยกันร้อมดอกไม้เนาะก็ให้เราได้ถึงว่าอืมตรงนี้เนี่ยการปฏิบัติไม่ว่าเราจะเป็นการร้อมดอกไม้ก็ดีจะมีปฏิบัติที่นี่ก็ดีหรือตรงไหนก็ดีเนี่ยก็ขอให้การปฏิบัติน้ำน้ำของพวกเราท่านน้ำท่านน้ก็ให้พวกเราเนี่ยได้นึกถึงเนาะบทส่วนกระบอกนะจับทำแนงชจอยู่ไม่ได้ขาดตรงไหน ทำตรงมือด้วยแล้วก็ทําตรงใจด้วยตรงนี้ต้องจะเป็นสิ่งที่เหมือนกับพวกเราก็แสด้ปฏิบัติธรรมรับไม่ว่าจะเป็นไหนรูปแบบก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรียกว่าการเคลื่องไหวแล้วไม่ว่การทํำกิจต่างๆตรงนี้ผมก็เถียงก็ได้ให้อรรถอาหารที่เียกว่าสะดวกในการปฏิบัติตรงนี้ก็ในความรู้สึกว่า พอเวลาที่สวดตอนเชทาเนี่ยก็ได้ถึงหลวงพ่เทียนทุกคราบนะขอให้การปฏิบัตินะนของเาเท่านั้นก็เป็นตัวที่สา่กไเ็นที่เต็มหลเทียนก็ท่านก็ช่างมากๆนะช่างหรืก็อาจจะเป็ูบางหรืออะไรยังไงก็ตามแต่ว่านก็เป็นเป็นสิ่งที่ท่านก็ดีที่สุดนะที่เหมนว่ได้อาริยธรรมไดอยกตัวฐานที่อาการเครื่องหมายท่อเนี่ยเป็นตัวกรบมาฐาน เพราะนั่นนีคือการที่ท่านเองก็ได้ให้ mm. เ, เรียกว่า mm. ให้หลักไว้นนะว่าการเรื่อหน่อเนี่ยเราจะมคว า, ามรัรู้ตรงนี้นั mm. น่นคือเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นกรมนรมฐานที่ดีอย่างยิ่งหรือว่าตัวเยนเองก็ได้ช่วยได้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมขึ้นมาบอกว่าท่านเห็นว่าเราอาศัยสติเป็นติกตางนะ อาศัยการอาศัยใจใกํานางเนี่ยเราเองก็จะได้เหมือนกับว่าเอาสติคอดูนะคอดูกายที่เครื่องหมายแล้วก็เอาสติเนี่ยคอดูเพวยจนะถาเราไปคิดนึกหรือเปลอย่างเงี้ยตรงนั้าก็มันก็เป็นสิ่งที่เนี่ยว่าก็เป็นการสอบการเป็นการอธิบารายละเอียดกันเนาะจากการที่เมื่อการเครื่องหมายเขาใช้มอรับรู้ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรา เหมือนกัว่าเอาสติมาช่วยดูแลการมาช่วยดูแลารอย่างที่น้องว่าตุ้เขียนได้ช่วยอธิบายตรงนี้ตรงนี้เนาะมันก็จะเป็นสิ่งที่ขยายความกว้างแบเหมือนกับว่าถ้าว่าเราเห็นทุกต้องไม่เป็นทุกเพราะน่จากเราตรงนี้น้องว่าเขียนก็ระรุมาไวว่าความคิดเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นต้นเหตุ มัะได้นีคือตอนที่หงพเทียนปฏิบัติใช่หมหลวงพรอเทียนก็าบอกว่าการเดินจงอยู่ก็เหมกัมีส่วนักแรงๆนตรงนี้ในขณาที่กำมีสมาธิมีสติอยู่กับการก้าวนะกับการก้าวเป็นก้าวเครื่อนไหวตรงนั้นพอมีควคิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันเป็นสิ่ง่แปบกเรเข้ามาเนอะก็เหมือนกับหลวงพ่อเทียนสรุปตรงนั้นพอสรุปตรงนั้นนีย ตอนขั้งที่สองสะดุดอีกทีหลวงอเจียมก็ชัดเจนชัดเจนที่ว่าหลวงต้องเจนยมาด้อธิบายต่อบความคิดยังมีสองอย่างมีความคิดที่เรียกว่านักคิดเนะก็คือในขณะที่เรากำลังตั้งใจปฏิบัติอยู่เนี่ยเรากำลังตั้งใจปฏิบัติอยู่ไม่ได้ตั้งใจคิดนะแต่มันมีความคิดที่แว้บก่อนเนี่ยในความคิดที่แว้ก่อนนี่แหละที่เรียกว่าความคิด นี่คือสิ่งที่เป็นต้นเหตุของทุกนะไม่ใช่สิ่งที่เราตั้งใจจะคิดเราตั้งใจจะคิดเนี่ยเราก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราตั้งใจเพราะนั่นเป็นสิ่งที่เป็นตามที่ชอบนะแต่ว่าพอเวลาที่ทำชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราจะพบว่าถ้าเกิดว่าเราตั้งเฉยๆนะไม่มีการปฏิบัติต า, ามตามเครื่ อ, องหมายของเราเนี่ยเราจะคิดเป็นเสาตั้งเสาเหตุนั่นก็คือตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ ในขณะที่เรามีสติเนาะคอยดูการที่เครื่องไหวอยู่เนี่ยเราจะเห็นว่ามันลังเนี่ยเราคิดสาระเรื่องแล้วก็ไป็นความคิดสาระเรื่องตรงนี้แหละที่เป็นเหตุให้เกิดเปริมาณเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็มีเรื่องที่ก็มีเรื่องเล่าต่างต่างอ่าเป็นเรื่องที่เป็นที่ก็หนึ่ มันก็เป็นเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นนะก็มีผู้หญิงอยู่คนนึงน้อน้อาน้องนั่งหาขนมอาที่กวด่็ <c oughs> ผมานะาามาก็จะเกิดก็เกิดนๆทราบหรือไม่ทราบก็เล่นเพื่อ <c> า <oughs> แ, แต่จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ก็ขนทารก็ถูก พวกอย่างนี้เลยเพราะว่าเน่องากว่าทพิ่รู้ว่าสาวดีเป็นบ้านอื่นเนี่ยอยู่กันมาสิบแปดปีเจอกับเาลูกสอวเข้ามาทพี่ไอปีนี้เนี่ยก็ไม่เคยริ้เลยนะว่าเขาเป็นบ้าอื่นนะแต่ว่าเนี่ยใน่จ็ดปีมีผู้หญิงคนโทนบอกพอโทบอกุเนี่ยเราเนี่ยแบบไม่เคยคิดเลยก็แบบว่าพุบ้า ก็เลยถามแบบว่าเราทุกข์ทั้งวันเลยบอกทุกข์ทั้งวันเลยเกี่ยวันเลยก็เลยถามแอกว่าอ้าแล้วเวลาทํางานเนี่ยทุกข์มากอย่างเงี้ยแล้วก็คิดนิดนึงก็บอกว่าเวลาทํางานก็ยุ่งยุ่งเนะก็ไม่คิดเราวก็เลยถามแบบว่าแล้วเวลาไหนเนี่ยทุกข์ก็บอกว่าเวลาที่กลับไปบ้านเวลาที่กลับไปบ้านเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็ เวลาเย็นเนี่ยก็เป็นว่าสามีเราก็ฟังกับไทยที่ไหนไม่งานกำลังทำอยนอะไรอย่างเงียเราตอนี้เราทุกขมากเลยอ่งเงี้ยอย่างเราุกข์เรอนเย็นๆสามีอยู่ที่ไหนทามมวันั้นะสามีเขาอยู่ที่นแล้วก็กปังปวดก็เป็นงสาย <c oughs> พู้หญิงก็มาส่งสามีเทนั้นเราถามแล้วเราลามขึ้นคำถามละกระเดินขึ้นเลยอ่ะก็เราไปดูสิบ้านคืนที่คือคืออะไรเนชะื่อมกันเรื่องเรื่องจริงเป็นยังไ ง, ไงแล้วตอนนี้สามีก็อยู่ที่วแล้ว <c oughs> เรื่องที่มีค น, นึงพลตางๆจริงหรื อ, อก็ไม่รู้นะแค่เร้เห็นเนี่ย แต่เจอแล้วเขาับไปบ้านเาตอนนี้สี่โมงโมงยุคสามีราจะอยู่ที่ไหนเนี่ยสามอยู่ที่บาก็ะตรียมตัวจะท้องพักดีกว่าใช่หมหนึ่งเนี่ยเชียนทำทำเชียนสามนี่มันไ่ได้ออกนอกบ้นะแต่ว่านี่นี่คือสิ่งดีกันอย่างขยันพาันตัวพี่บอกว่าคักทคิดเป็นทุกข์ใช่ไหมหนึ่งเรื่องจริงๆมันก็เป็นอย่างนี้ใช่มหนึแต่ว่าตัวเองกก็คิด แล้วตรงเนี้ยก็บอกเขาบอกว่าใจเ็นๆเย็นๆเดียวมายกมือท่างไปบอก่เขาก็ด้บอกว่ายกมือ่างบอกเขาบอกว่าทาตามหลวงพ่อนะถ้าหลว่อแบบฝ่ายไหนให้ทาตามนั้นก็บอกเขาบอกว่านี่เอาหมื่นว่าพิมนเขานะนานเลี้ยงาลี้ยไว้ยวเราคุกันข่าวแล้วพอบอกาบอก เราพ่อรลิกมือขวาก็พริกมืองวาด้วย้เขาไม่ได้ไม่ได้พักเท่าไหรก็เยอะอยู่ใช่ไหมก็ตามแต่เขาก็ทำงานดึกเขาเนี่ยทานสามนี้เข้ามาบุญเขาเองเขาก็ไม่ได้ไม่ได้มามปฏิบัติเขาไมัมาส่งสารนีเด็จก็ตาไปอย่างนี้เราะฉะนั้นก็คือพอเขาดูขรา้งแรกเขาก็เนื่อยหนัเข้าแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้ก็คือเขากำลัเหนับอยเาะว การคิดนตัวเาตัวเองก็เลยบอกบ่าเราติดใจแล้วคือติดใจนีสมาธิอยู่หลวงพ่อหลังนะเนี่ยเดี๋ยวต้องคิดอะไรอยู่ๆแล้วก็ถาบอกไปอีกครั้งนึ่งก็บอกบอกว่าเป็นจิตตาตรงหลังคลิกมือขวาจะแข็งขึ้นยกขึ้นเอาเราไว้ที่ทองพลิกมือซ้ายจะแข็งขึ้นยกขึ้นเอามือาไว้ที่ทองเดินปากนิดนึงยกออกข้างๆลองดูข่าวเข้ารถ ก็ตอบก็ตามเนี่ ทุกคนที่เราเป็นปัญหาก็คือใ้ความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจใ้ความคิดที่มันแบกหนักในระยะที่เราบอกว่าช่วงเวลาที่มันไม่มีความคิดกวนตรงนี้ปรญหาเนี่ยจะเป็นาปเครื่อกำนี้โดยเฉพาะนะในขณะที่เราเริ่มรู้สึกดุเนี่ยใจเนี่ยมันจะมาอยู่กับกายใจมันจะไม่ไปอยู่กับความคิดเพราะนั้นคือผลของการที่ใจไปอยู่กับกายเนี่ยความทุกข์ที่เราตอบกลุ่มใจอยู่เนี่ย มันก็เรียกว่ามันก็หดออกไปตรงนี้นะการนุ่มตัวแต่งทั้งแต่กลางของร่างอันที่เป็นเนี่ยเราก็เป็นสิ่งที่บอกเลยว่ามันเป็นการที่เป็นการกฏบเพราะว่านุ้มทั้งนุ่มรูปย่างรเนี่ยใจเราก็มาอยู่กับกายปลอดภัยอีกทางใจนะที่กะัไปเหมือนกับอยู่กับความคิดเนี่ยมันก็เหนื่อยกวางความคิดไป่อะไตรงนี้ก็เรียกว่า แล้วก็เห็นก็เหมือนกับสอนให้เราหาปล่อยวางนะโดยที่สิ่งที่เราถือเอาว้นี่มันไม่ใช่เป็นวัตถุติ่งของนะแต่มันเป็นการถือที่อยู่ในความคิดของเราในขณะที่เรารู้ตัวว่าคิดเนี่ยก็ให้กลับอยู่กับกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยตรงนี้เราหาเท่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเราก็ว่าความคิตใจครับเนี่ยเครื่อนไหวครั้งหนึ่งก็รู้ครั้งนึ่งเครื่อนไหวครั้งหนึ่งก็รู้ครั้งนึ่ง เนี่ยแต่ครั้งแต่ละครับแต่ละคร้งเนี่ยเขเรว่าเราจะหาบางความคิดไปในตัวอถ้าเกิดว่าเราหาวาความคิดแบบบอดนะหางความคิดแบบบอดเราจะาความคิดง่ๆนะตรงนี้พอวาความคิดง่ายๆความว่างน้อในจิตใจก็เกิดขึ้นอย่างนี้การวางก็เกิดขึ้นสมัยตอนน้ออะไรน้อคือความว่างอะไร้ือการวางอะไรนี่นะ อะไรนัร่นก็คือการหลุดพ้นอะไรต่าตรง น, นี้นะเขามีความรู้รสึกว่าเมื่อก่อนศั์วกนี้มก็เป็นเรื่องที่ตายตัวมากนะแต่พอ ม, มัยหรือว่าจริงเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วพวกเราเนียได้นับนู่ น, นนี่ากแลวเขียนเนียก็เป็นเรื่องที่่าน้องนี่รู้จักการตัดกร า, น า, นานเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนี่เป็นเรื่องที่มาติดตามม า, มรม า, สสมามตรง น, นี้มันเป็นสิ่งที่เรียกว่า หลวงพ่อาันก็เจียนที่อยู่กํา anyway, ลังเนี a ่ยก็ในขณะที่ท่านอยู่ทก็จะสอนเรื่องกนี้มาตลอดแังนั้นถือเราอยากให้พวกเราเนี่ยได้เหมือนกับว่าได้เอาคอของหลอเนี่ยที่เราได้ยินไดฟัมาทําก็มาทาตามที่ผู้เขเรว่าผู้ออกแบบปัหาเนี่ยตั้งใจเราก็เขียนก็ตั้งใจ่ครัาหาตรงนี้เนาะจะใช้เนาะได้ทัในรูปแบบเนี่ย การทำงานประจำของเราเส้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมก็เจนเอ้ยผมก็เจนก็ยืนยันนะจะเป็นทหารที่ตำรวจจะทำงาทั้งนทุกแห่งต้องทำด้วยกันแล้วก็ต้องเขียนเองก็บอกว่าให้พวกเาช่วยโอกาสนะช่วยโอกาสช่วยชักสะบัดหูช่วยหูรัะลิ้นเนี่ยนะให้เราช่วยโอกาโอกาสในเนี่ยเราความรู้ตัวตรนี้เป็นสิ่งที่ได้รื่าเป็นสิ่ง น่จะเป็นสิ่งที่เราเรีว่าเราไม่ได้เฉลิสติเนาะแล้วก็เขียนก็อธิบายเึื่องการเฉลิมสติสติเนี่ยคืออะไรคืออริยรัจคือทุกครั้ที่เราเคลื่อนไหวแล้วรู้ตัวกลางเคลื่อนไหวแล้รู้สึกตัวกลางใจก็เหมือนจะมียอดกระปุกโยนศีลศที่เราหยอกเ่ต่างสองบาเจ็บเดี๋ยวอาจจะถูกใคาแคะกระบุกลงไปได้ดวยแต่ว่าอริยสัจก็คือสัจที่ใครไปได้มันก็จะติดตัวลงไปแล้วที่ติดตัวลงไปตรงนี้ มันจะช่วยก็เรียว่าช่วยกลุยเท้าให้เราครับกลุยเท้าเราจะมีควาเส้นทางที่กลายทางเนี่ยเป็นความมั่นคงเพราะฉะนั้นก็คือตรงนี้นะก็อยากให้พวกเราเนี่ยได้นั่นใจมั่นใจครับคำสอนของหลวท่อคเขียนก็มีคําสอนของพ่อเทียนตรงนี้ก็ดีเนี่ยคสอนของพระเจ้าก็ดีมีของที่ปฏิบัติแล้วก็การปฏิบัติตัวนี้ยจะมีผลก็คือการถือทวนนั่นคือตรงนี้ ก the the ็อยากให้พกเราเนี่ยได้หวย่าได้ตั้งใจตั้งใาที่จะทำให้ได้สองตัโฉบเนี่ยก็นึกถึงอินเดียนึกถึงอินเดียหลวงพ่อเขียนไปอินเดียอุ้กลับมาฮะกลับมามัน่ให้กลับมาเนี่ยหลวง่อประเทศเลยขึ้นประเทศไป็นเถื่อนให้แล้วนึกถึงเยอะมากหลงุกกลับมานะในรอบนี้หลวงพ่อจะหักก็ไปหัะนะ เดี๋วิดเพเดี๋ยวว่าหรือว่าคิดเทพเดี๋ยวาก็บอกวาเนี่ยไปอีนเดียตามเนี่ยแบบว่าพอไปกลับที่พุทแคยเนี่ยเดี๋ยาก็เลือดอยู่ในใจว่าเนี่ยตั้งแต่นี้ไปคำว่าไม่ยากเนี่ยจะไม่ดีคำว่าไม่ได้เนี่ยจะไม่มีตรงนี้ก็เป็นสิ่งนงที่อยู่เป็นข้อก็รู้เนีย เ่อเงก็บอกว่าเคยพูดในบรรดาอื่นๆเดี๋ยวอก็บอกว่าไม่ถามก็ถามไม่ได้เนี่ยแบบว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นเรื่องของการโลกๆพูดกันเดีรยวข้อบอกว่าเราประกอบเราปรกอทําได้อย่เงโดนะอย่เพิ่งหวนตัดสินใจเราประกอบอย่าเพิ่งจะาไม่ได้เลยเราก็อยโดไปดสเจะย่าเพ่งจะโวดาจะทได้เดี๋ยวนะเราจะกางยานิดนึงนะ ก็เป <lavoro S 2> hmm. ็นสิ bye. Bye ่งที่เรียกว่าเราต้องมีสติเข้ามาอยู่ร่วมกับชีวิเราเพราะฉะนั้นคือตรวเนี้ยในขณะที่เราพูดคำว่าไม่ได้เนี้ยเราเป็นสังเกตหรือว่าเราเป็นคำว่าไม่ได้บางทีก็เป็นพูดจากความท้อใจะผมทำไม่ได้หรอกหรือบางทีฟําไม่ได้มบางทีในใจเรานะก็เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการดุดันนะคำคำเดียวเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เกิดเกตในใจเราเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราเรียกว่า มันเกิดขึ้นมาจากใจที่ต่างคนใจที่พอก็พูดแตาไม่ได้อีกแบบหนึ่งถาว่าพอเวลาที่เราจะดูนี่ไม่ได้นะอะไรย่างเงี้ยใจเราจะเป็นอีกแบบหนึงเพราะนั้นก็คือตรงนี้ยสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าให้เราทํำในใจอยู่เนี่ยก็คือเรื่องแบบนี้นะให้เราได้ทํำในใจก็คือการท <PTSD> ี่เรามีสติเนี่ยคอยดูคอยดูจิตใจนะคอยดูจิตใจเราแล้วก็ตรงนี้ ก <laughs> ารปฏิบัติของาทเนี่ยก็จะเป็นการเพื่อการทที่สุดแห่งของทุกข์ที่นี้นะก็ขอให้พวกเราเนี่ยได้ปฏิบัติตามคือวดตาทําของภูเก็ตเจ้าตัวนี้เนี่ยความมีพ้อก็จะเกิดกับทุกเราทุกคนเรา่อพูดแบบนี้นาอยาง